ก็เนบว่าเดดีท่านเนียเหตุใดท่านถึงโกรธ่ะมันแมวิเอียนว่าอย่างนี้ว่าที่เปยว่ามาทั้งหมดไม่ว่าเดดีอื ม, อมคนแก่ที่ถูกว่าว่าแก่นี่แหละโกรธนกะกระล่ะคนแก่ทั้งนั้นะถูกว่าแกเนี่ยโกรธเป็นที่สุดล่ะที่ของตรก็จริงว่าท่านท่านคือโกธมากนีย ท่านสำคัญว่าคนแก่ไม่หากําลังนี้ได้ตัวท่านมินจังมารองื้นมือกับเราฮองตงท้าฟังเลยอุยเอียนก็โกรธคนหนุ่มโกรธละอุยเอียนก็บอกท่านกับเราจะสู่กันดูซื้อมือก็มาเถอะคฮองตงกับอ่ยเอียนวิ่ว่ากุมเทนอุ้งอิกันขึ้นฮองตงก็เรียกใคร่เบาไปเอาเงามาจะสู่กับอุยเอียนเราไปเห็ยนยังนั้น เขาจึงห้าวว่ามาทําการทางนี้ก็จะต้องพึ่งกระหมังท่านทั้งสองก็ลเลยเมื่อเสือต่อเสือมาเกิดจาลาจนกันขึ้นเองเช่ะนี้การของเราจะมีเสียไปหรือเราขอเถิดเราตีว่าอย่างนี้บังทองก็จึงพูดว่าท่านทั้งสองอย่าวิวาดกันเลยทั้งสองท่านก็มีฝีมืออยู่ด้วยกันนหะ แม้จะให้ไปแต่ผู้เดียวเนี่ยก็จะมีความน้อยจัจก็จงไปด้วยกันทั้งสองนายแี่ยตีค่ายให้ได้คนละลูกแม้ผู้ใดตีได้ก่อนก็จะมีความชอบมากบางทองตัดสินให้อย่างนี้แล้วก็แบ่งทหารให้้องเตนเนี่ยไปตีค่ายหลิงเปาให้อีเอียนไปตีค่ายเต็งเอียนทั้งสองทหารต่างวัย ทหารเอกต่างวัยทั้งสองนี้คือไว้หนุ่มก็ไว้แก่เนี่ยก็คำนาาัาเทล่าปีรามาจัดแจงทหารอยู่ข้างนี้บางทองก็พูดกับเหล่าปีเรื่องอันฐานสองนายที่จะยกไปบัดนี้เขาปรเจนเห็นว่าจะไม่ปะกะติเกิดว่าจะไปวิวาทกันกลางทางเบียพยาบาทกันอยู่ขอท่านจงยกทหารเป็นกองหนุนไป จะได้ดูแลผิดและชอบเบื่อบางทองกล่าวแนะให้เจ น, นิกรอบปีก็เห็นชอบเห็นชอบเบื่อก็เกณฑยมฐานในบางทองเนี่ยอยู่รักษาข้าวแล้วก็จัดแจงฐานเตรียมพร้อมทึ่งจะยกเป็นกองหนิ่นปัดเราปีกเตรียมไว้แล้วจะยกเป็นกองหนิ่นปัดทีนี้ข้าปัดกองเต็มทหารเท่าก็สั่งถามให้หุนข้าวกินแต่เ้าว จะยกไปตามเชิงเขาข้างด้านขวามือขณะที่ห้องตรงสังาหาให้หุงรรข้าวกินนั้นแลว้วก็จะยกไปเนี่ยอยุยเห็นรู้กิติสามนี่ดีใจทีเดียวนี่จะทํางานชิงหน้ากินตากันละเอาดีเอาเด่นกันละ่ะอยุยเห็นดีใจเพื่อนกําลังหุงข้าวก็สังาหารหุงรรข้าวกินต้องแต่ย้ำหนึ่งเลยฝั่งก่อนอืมจะรีบยกไปก่อนกินเสร็จจะยกก็จะจในวานตอคืนเลย หมายว่าพอรุ่มก็ถึงที่นิดมากลางทางอิงก็มาคิดว่าเราจะตีเอาค่ายเป็นเหรียจะบับนี้ความชอบเนี่ยที่ได้นี่มันจะเป็นเพียงพอประมาณเท่านั้นอันหนึ่งชื่อเสียงก็จะไม่ปรากฏไปภาย้าจำเราจะตีค่ายเหลิงเปาซึ่งเป็นสื่วนของฮองตงซะก่อนคือเหลิงเปามีฮองตงได้รับคำสั่งให้ไปตีค่ายนี้ ปีเอียงเคิดอย่างนี้คือจะตะทั้งสองข่ายเลยตีข่ายหรืเปล่าก่อนแล้วก็กลับไปตีข่ายปียเ อ, อียงเนว่ยอีเอียนผู้มีลักษณะทรยศปรากฏอยู่ที่ร่างตรงไหนก็มิทราบละเขามีลักษณะอย่างนี้ความคิดเขาก็อย่างนี้คิดดังนั้นนะบก็ยกทหารแยกไปทางขวา ม, มือก่อนหวังจะไปกินข่ายหลืเปล่าก่อนละ่ะครั้นมาจะใกล้ถึงข่ายก็ สั่งให้ทหารตั้งปวงหยุดตัวอ่หยุดเปลี่ยนตัวที่จะเข้ารบอุ่ยเยียน วางแผนการที่จะไปตีไข่เหลิงเปาซึ่งเป็นเสี่วมของฮองเติก่อนละและก็จะกลับมาตีไข่เป็นเหวียงอันเป็นหน้าที่ของตัวโดยเฉพาะเอาวางแผนนี้แล้วก็ยกทับแยกไปทางขวามือก่อนละหวังที่จะไปชิงตีไข่เหลิงเปาก่อนฮองเติงครั้ยกหมัดใกล้จะถึงคอยฐานน้าพวงหยุดอยู่ เกรียนตัวที่จะเข้ารบขั้งมาชายของเหลิงเปานีอ่าคือการมาสร้างข่ายนี่ก็ต้องต้องส่งมาชายกองสอดแหนมออกไปควรวัระวังกันอยู่นะออกจากมาชายนี่รู้เขา่าวนี้แล้วก็รีบเอาเรือควานกลับมาแจ้งกันเหลิงเปาเหลิงเปารู้ดังนั้นก็จัดแจงฐานกลาดตรียมไว้แล้วก็สรางฐานกองนึงให้วกไปปีอหลัง รันได้เวลาเหล่งเปาก็ให้จุดประทัดสัญญาณขึ้นแล้วก็ยกฐานออกมาอีเอียนก็ขับมาเข้ารบไว้ทีเดียวอีเอียนเก่งการนะเก่งกาจ ร, รอกแต่เหล่งเปานะ่ะก็เก่งพอตัวผู้รบประทัดต้านทานได้ถึงสามสิบเพลงทหารของเหล่งเปากองหลังที่ให้ไปตีอบหลังนะ่ะทหารกองมันก็ตีกระหนาบหลังทหารอีเอียนเข้ามา ฐานอีเอียนอนะ่ะอีเอียนฝั่งให้หุงข้าวกินมาแต่ยามมึงให้รีดเดินทัพเดินทางมาแต่กลางค่ำกาคืนนี่มึงก็ต้องเหนื่อยเมื่อยล้าอิดโรยผิดกับเขาละและบัดนี้เมื่อบาเข้ารบกันอย่างนี้ด้วยเนี่ยรีดเดินทางมาแต่คืนยังรุ่งเช่นนั้นก็อิดโรยผู้ถานเหลงเปล่ามิได้พ่ายแพ้แตกไปทีเดียวอีเอียนผู้กเก่งกา เห็นทหารทั้งพวงแตกหนีเช่นั้นก็ขับมา้าหนีเหมือนกันมีตัวนักเกง่งแต่ปากใจกําเลือดเปิดฝานใครจะดีกว่าประการใดอย่างไรนไี่มิได้วะแต่บัดนี้ทหารทั้งพวงแตกหนีไปเพรอสู้เขาไม่ได้อิทรวยกำลังกว่าเชจนี่ตัวเองก็ขับมาหนีด้วยหลวงเปาได้ทีก็ขับม้ า, าไล่ติดตามไปทีเดียวหลวงเปาแห่งเสฉวนติดตามอีกอ่างเดียวประมาณห้าสิบเส้น ขณะเมื่ออีอเอียงยกมาเนี่ยเต็งเฮียนฐานหนึ่งเสฉวนนะอีกข่ายหนึ่งนะก็รู้แตเต็งเฮีย น, นยก็ยกฐานมาคอยส ก, กัดอยบนเนิน เ, เขาเพออีอเอียงแตกหนีเหล่งเปล่าตะเล็บมาทางนีเต็งเฮียนก็ขับมารดน้ำฐานลงจากเนินไล่าตามอุอเหอียงอุอเหอียงขับมารีบหนีม่วยกําลังเร็วมาเหยียดศิลาะพลาดขาแรลงคํมามัมล้มลง อีเอียนตกจากหลังมาเป็นเหฮียนทหารเสฉวนเดกทีก็ขับมาสืบเข้ามาจัดแทงดิท ว, วนพอดีห้องตรงทหารผู้เท่าโยกทหารมาถึงเขาพอดีเห็นเป็นเหฮียนไล่อีเอียนหองตรงมีฝีมือเก่าพัน 9, นิดสําคัญนาทีเดียวห้องตรงก็ใช้เก่าทันยินไปช่วยเด็กพันทีถูก อ, อกเป็นเหฮียนตกจากหลังมาลงไป ทางฝ่ายเหลิงเปาทหารมือเสียชวนตามมาข้างหลังเห็นเตงหยินถูกเกาทานตกจากหลังมาก็ขับมาเข้ามาจะช่วยเตงหยินฮองตงก็ร้องตหวาดด้วยเสียงมันดังว่าอู้ชื่อฮองตงฐานเอกดีนี่ใครดีก็เข้ามาเหลิงเปาก็ขับมาเข้าฟื่นเลย้องตงได้ห้าเพลงตาทานฝีมือพูดเท่ามิได้ก็ชักมาหนีหฮองตงเลยสีก็ขับมาโดยฐานองูมิไล่ตามไปฐานเหลิงเปาแตกกระจายไปสิ้น หลิงปาวจะเข้าค่ายก็ไม่ได้เข้าค่ายไม่พันเห็นห้องตรงไร้กระชั้นมานันก็ชักมาเข้าสู้อีกนิดสิบเพลงทหารของตนติดตามหนุนเนื่องกันก็มาโหร้องหนุนมาเป็นนั่นมากเอหลิงปาวก็ชักมาหนีไปเข้าค่ายเป็นเหฮียนก็พอดีเล่าปีที่ยกหนุนมานะ่ะคือบางทองบอกแกเล่าปีแล้วว่าคนทั้งสองนี้ไม่ปรองดองกันการคงจะไม่เรียบร้อยให้เล่าปีไปทับหนุนไปเนี่ย เหล่าปี่ยกหรือมาเป็นกองหลังนี่ก็เข้าคิ้งค่ายเต็งเหี้นได้ไว้ก่อนหอลิงเปาจะเข้าค่ายเป็งเหี้นแล่ไปสิเห็นเหล่าปีใส่สวมเกราะทองยืนส ง, ง่าอยู่อะปวนเต็งอยู่ซ้ายเหล่าฮองอยู่ขวาและเหล่าปีนั่นก็ร้องลงมาว่าบัดนี้กูทิงค่ายมึงได้แล้วมึงจะหนีไปข้างไหนเหิงเป่าจนใจ นีจากไข่ของตนมาเข้าค่ายตนไม่ได้จะมาเข้า่ข่นี้ก็เข้าม้ได้ก็ชักมาหนีไปตามทางซอกเขาจะรัดไปทางเมืองลกเสียกำไฟอุยเอียนผู้มีจิตใจที่ เปล iron, example, ี่ยนล้มไปด้วยสิ่งนิยงงามอุยเอียนเสียทีเข้ามาอย่างนี้เออดีในห้องตรงช่วยชีวิตไว้เนี่ยหวังจะทําการแก้ตัวอุยเอียนก็คุมทหารของตนไปสกัดเห็นเหลิงเปาแตกหนีมาคือเหลิงเปาหนีจะาัดไปเมืองโลกเสียอุยเอียนมาสกัดทางไว้ค่อยทหารเอาเชือกขึงผ่านททามาเหลิงเปาล้มลง ตัวเลงเปล่าได้มัดตัวเอามาให้และขณะนี้เหล่าปีได้คล่ายเป็นเหยียดเดียวนั้นนะ่ะได้ให้จารึกอักษรใส่ทงเป็นใจความว่ามิให้ผู้ใดทําอันตรายชีวิตขา้าสิซึ่งเข้ามานบนอกเป็นอันขาดทีเดียวนี่คือเป็นใจความสั่งหารของตม น, นี่แหละเหล่าปีสั่งฐานของตมเองเนี่ยไม่ให้ทําร้ายขา้าสิที่เขามาอ่อนน้อม ถ้าผู้ใดไม่ฟังจะเอาตัวเป็นโทษให้ตายตกไปตามกันเอาขันจารึกอักษรใส่ทงแล้วก็ยกทงขึ้นปากไว้ยังคลคายแล้วก็ว่าแก่ทันเป็นเหียนและทลันเหลงเปาที่จับได้ทั้งนั้นเลยวะท่านทั้งปวงบรรดาที่เป็นทะเลเหล่านี้แม้มีน้ำใจรักจะสมัตรอยู่ด้วยเราก็อยู่ ถ้าผู้ใดคิดถึงบินามารดาญาปีน้องบุตรภรยาจะกลับคืนไปบ้านเมืองตนก็ตามใจเถอะเราปีออกคําสั่งอย่างนี้ใครจะอยู่ก็อยู่ใครจะไปก็ไปคนทั้งปวงได้โอกาสดังนั้นติดคิดถึงบรนามาญาปี่น้องเนี่ยก็คมาับราไปคนทั้งปวงเหล่านั้นก็มีใจรักใครสนันเสริมเราปีเออกระเราไปทั้งเมืองเลยทีเดียว เราปีเกิด ท, เทาเช่นนี้เป็นประโยชน์แกเราปีเองอย่างยิ่งเลยทีเดียวล่ะการปล่อยทหาเรเหล่านี้กลับไปนะข้างฟ่ายฮองตงน่องต ง, ง, ตงไม่ได้ชชยชนะแล้วก็กลับมาหาเราปีแล้วก็รายงานว่าบัดนี้วีเอียนทําผิดเพื่อทำให้เสียทีแก่ข่าศึกแต่หนี้ข่าสึกมาทางนี้ครั้นจะนี้เอาโทษไปเบื้องหน้า การสงครามก็ยังจะมีสืบปัตทหารท่านปวงก็จะยิ่งอยากขอท่านจงประหารชีวิตเสียจริงจะชอกนี่ฮงตรงกล่าวเช่นนี้ซึ่งก็เป็นความจริงอยู่เหล่าปีก็สั่งให้ฐานหาตัวอุยเอียนมาก็พอดีอุยเอียนมัดเอาตัวเหลงเปาเข้ามาถึงเหมือนกันก็ข่ามาคำนับเหล่าปีเหล่าปีก็จริงว่าตัวท่าน มีโทษใหญ่หลวงนะแต่ครั้งนี้หากว่าท่านทาการแก้ตัวจับเหล็งเป่าได้เราจะยกโทษนั้นเสียแต่วันนี้สื่อไปวันมากจะทำการสิ่งใดจงจะได้กแข่งแย่งทำการเอาหน้าอีกยกตัวว่าดีจยได้กระทำการดุดครั้งนี้อีกเป็นอันขัดและขึ่งท่านรอดจากกามตายเพราะห้องตงนั้น ก็จงข ม, มับ้องตงแค่ตามประเพณีอุเอียนก็รู้โทษตายของตัวอยู่เหมือนกันแล้วก็รู้ว่าตัวรอดตายก็เพราะห้องตงอุยเอียนก็ไปข ม, มับ้องตงขงมาโทษเหล่าปีนั้นก็ปูนบำเหน็จรัรงวันให้แก่ห้องตงเป็นอันมากแล้วค่อยฐานเอาตัวเหลงเปาเข้ามาเมื่อฐานเอาตัวเหลงเปาเข้ามาแล้วเล่าปีก็ลงไปแก้มัดให้แกเหลงเปาแค่เอง ได้แต่งโตเลียงแล้วก็ถามเหลิงเปาว่าตัวท่านนี้จะมีน้ำใจพักดีต่อเราหรือจะคิดประการใดเหลิงเปาก็ตอบว่าชีวิตข้าพเจ้านั้นก็ถึงตายแล้วแต่ท่านการุณามิได้ฆ่าเสีทั้งนี้บุญคุณหาที่สุดนี้ได้ข้าพเจ้าจะขอทำการสนองคุณท่านที่คิดเอาใจออกหากนั้น ที่จะคิดเอาใจออกหาท่านนั้นหามิได้บัดนี้เหล่ากุ้ยเปียวยิ้มซึ่งอยู่ในเมืองลกเสียนั้นคนทั้งสองกับขบเจ้าก็เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันถ้าท่านกรุณาปล่อยขบเจ้าให้กลับไปขบเจ้าก็จะว่ากล่าวแก่คนทั้งสองให้มาสามิพัก ต, ต่อท่านจะคิดอ่านเอาเมืองลกเสียให้จงได้หล่าปีได้ฟังเหงปาว่าอย่นี้ก็มีความยินดี ก็เสื้อผ้าเป็นรังวันแล้วก็จึิงว่าที่ท่านเจรจาไว้ไปเรื่อนมาอย่าได้กลับกลายท่านจะกลับเข้าไปในเมืองลกเสียก็ตามใจใเถอะอุยเอียนอุยเยอี ย, ยนก็เป็นพูดกัรอบปีขึ้นมาะซึ่งแค่เหล็งเปล่ากลับไปบัดนี้เขาจะเห็นจบไปแล้วจะไม่กลับมาอุยเอียนว่าอย่างนี้ รอบปีก็จริงว่าตัวเรามีความเอ็นดูเขามิเดคิดทำร้ายเมื่อเขานิเดคิดถึงบินคุณของเราก็ตามแต่เขาจปนเมงเหนียไว้ใหญ่ปล่อยเข้าไปถเถอะเหลงเปล่าก็ขมับลารอบปีกลับไปเมืองลกเสีย ขา้ามืองินลกเสียก็ไปบอกกับเหล่ากุา้ยว่าได้รบพร่วงกับเหล่าปีเป็นสามารถฆ่าฐานเอกเหล่าปีตายสิบคนนี่เหลิงเปาเข้าไปบอกกับเพื่อนอย่างนี้ข่าศึกมีกำลังมากนะักจะสร้างทานนี้ได้เขาไปเจาะชิงมา้าได้ตัวนี้ก็หนีมันเนี่ยหเหลิงเปา บ, บอกกับเพื่อนกันอย่างนี้เหล่ากุ้ยได้ฟังสําคัญว่ากินก็ตกใจละ เหล่าปีนมีกำลังเข้มแข็งมากนี่อ้าวก็แต่งนือเฟือยคนรีดถือไปถึงเหล่าเตียงขอกองทัพเพื่อนเติมมาช่วยเหล่าเตียงเด็แย่งความในหนังสือล่ะอา่านหนังสือนี่นก็เต็งเฮี้ยนตายแล้วขายช่องแครทต้งองฟองเสียแก่ขคดิึกแล้วอ้าวก็ตกใจอ้าวเพราะต้องแจ้งข่าวอย่างนี้ไปล่ะ เ, เหล่าเตียงก็อยากหาคุณแม่จัดการทั้งบัวมาปรึก ษ, ษาหารือดูทีเดียวเหล่าชุนผู้เป็นบุตรแม่ก็จริงว่า ข้าพเจ้าจะขอยกทหารไปป้องกัน ร, รักษาเมืองลกเสียเองจะรักษาไว้จงได้เหล่าเกียงก็ถามว่าแล้วตัวเจ้าจะยกไปบัดเนี้ก็ดีนะหนาแต่ว่าจะได้ผูดด้ใดไปด้วยละ่ะเป็นที่ปรึกษานออี้น้องภรรยาของเราเจียงก็รับอาสาวัดไปด้วยเหล่าเจียงก็ยินดีก็จริงว่าถ้าเช่นนั้น ทันจงจัดแจงฐานรองสองนายออกไปด้วยงอี่ก็จัดลีตองงอหลังสองคนเป็นนายฐานรองพร้อมกับนายฐานเวลสองมือให้แกเล่าชุนเสร็จแล้วก็ยกถับมายังเมืองลกเสียทิ้เหล่าปุ้ยเตียวยิ้มผู้ถูกส่งมารักษามเมืองลกเสียก่อนนี้ ที่มีนักซเข้าไปขอกำลังเพิ่มเติมเนี่ยรั่วเหล่าชุนเอบุตรเหล่าเทียงยกฐานมาเพิ่มเติมก็มาต้อนรับเข้าไปในเมืองแล้วกาเหล่านี้ความการสูญรบของข่ายหนกทั้งสองข่ายนะ่ะดีว่าแตเงเหยงเสียตีแกเหล่าปีเสียข่ายทั้งสองแกเหล่าปีไปแล้วเอาก็ล่าความเหตุฟังทุกประการงอที่ก็จริงว่าบัดตรนี้ ข้าศึกก็ยกม่วงเข้ามาถึงเชิงกำแพงแล้วเห็นเ่าปีจะมีใจกำเริบเป็นกำหลังนะมันจะต่อฟู่ด้วยฝีมือนั้นเห็นจะหิีได้ใครจะคิดเป็นกลอุบายประการใดอะ่ะจึงจะกำจัดเหล่าปีได้เหลิงเป่าเหลิงเป่าที่เหล่าปีปล่อยตัวมาเนี่ยก็จริงว่ะซึ่งจะคิดกำจัดข่าศึกครั้งนี้ข้าพเจ้าเห็นยกมือลกเสียนั้น ตังอยู่ในที่สูงกว่าที่ข้าศึกตั้งอยู่ที่ปีนเขานันน่ะเราอยู่สูงกว่ามากและแม่น้ำริมเมืองน้ำก็ไหลเชี่ยวข้าไปจกาคิดว่าจะขุนฐานไปขุดคลองไปขุดคลอ ง, องอให้น้ำไหลเข้าไปตรงค่ายของข้าสึกใหขน้ำไ ห, หลม า, าหักเข้าไปในค่ายของรอบปีให้ท่วมฐานทั้งปวงเสีย เราก็จะได้ใชัชนะโดยง่ายนี่เหลงเปล่ปา ว, วานแผนอย่างนี้ง อ, อีที่ปรึกษาคนสาคัญของท่านเหล่าชุนเห็นชอบด้วยค่อยเหลงเปล่ปาเนี่ยคุมฐานไปทําการตามที่หว่านนะั้นแล้วข่งอหลังลีต๋องคุมฐานสองกองยกไปป้องกันคนทํางานไม่ให้ขาดตึกมารังควานได้ ขว า, ายเล่าปีเด็กแต่งในปุยเอียนหองตรงอยู่รักษา่ายช่องแคบติดตีได้และเล่าปีก็ยกกลับไปตั้งอยู่ด่านโป้ยสี่ขวนยกกลับไปอยู่ในด่านป้ยสี่ขวนและเล่าปีก็หารือกับบังทองถึงการติจดจัดดําเนินงานทุรบกันต่อไปเพื่อเอาเสฉยชว่วยในจงได้ก็พอดีมาใชายเขามาบอกว่าบาัดมีสุ่มกวรให้มีนิสัยมาถึงเตียวลอกนี่ไง แผล่สืนกวนหลังจากที่สุ่บกวนได้นางอาสืหญิญไปแล้วอะ่ะได้ตัวน้องสาวไปแล้วเนี่ยสุ่บกวนวางแผนมีหนังสือมาถึงเตียวลอกมาชายเนก็ยก่อสืบข่าวนี้รู้ก็ข่าวนี้มารายงานในสับบัดนี้ส่บกวนให้มีหนังสีมาถึงเตียวลอกให้ยกฐานมาตีเอาด่านแฮบังกวนญเราปีแจ้งื่อนความก็ตกใจทีเดียวเพราะสึบตนนี้ภาควารกับเสกชวนมีอย่างนี้แล้ว จะโดนเตียวล่อแห่งเมืองฮันตงตีกระหมาปลังอีกกระสิบเรา ป, กปรีก็ปรึกษากับบางทองว่าถ้าเตียวล่อยกมาตีเอาด่านแฮบ่บางขวนแล้วเนี่ยก็จะปิดทางเราเสียจะไปก็มิรอกจะถอยก็มิได้จะคิด่ประการใดดีอ่ะบังทองก็จริงว่าันเบ่งตัดว่าเบ่งตัดท่านก็เป็นชาวมือเสฉวน รู้ทางที่จะหนีทีที่จะรล่ชมิชามานอยู่ด้วยเป็นบ้านเมืองของท่านเองข่านจงไปรักษาตำบลด่านแคบางขวนจริงจะชอกเบ่งตัดก็รับคำแล้วก็จริงว่าข้าพเจ้าจะขอเอาฮัตจุนไปด้วยอันนึ่งฮัตจุนคนนี้มีฝีมือแต่ก่อนน่ะเป็นทหารของเล่าเปียวทหานเป็นทหารเก่าของเล่าเปียวเหล่าปีก็อนุญาตให้ แล้วก็จิงแต่งเบ่งตักให้คุมทหารยกไปรักษาด่านแห่บังสวน ผู้หนึ่งมาหาท่านยืนอยู่ที่ประตูบางทองก็เดินออกมารับเห็นคนผู้หนึ่งรูปร่างสูงใหญ่หน้าตาเข้มข้นสูงมีประมาณ ตามเขามาถามอีกว่าท่านอาจารย์ที่อะไรมาแต่ไหนมีทุระอะไรคนผู้นั้นก็จึงพูดว่านิ่งก่อนเถอะให้ข้าพเจ้าหายเหนื่อยซะก่อนแล้วจึงจะบอกกิจการบ้านเมืองที่ใหญ่หลวงให้นี่คนผู้นี้พูดอย่างนี้บางทองก็มีความสนสัยนะก็สั่งให้คนใช้ไปจัดโตอาหารเข้ามา คนชายยกโตอาหารเข้ามาตั้งยังไม่ทันจะเชิญเลยคนนั้นก็ลุกขึ้นจากเตียงแล้วก็เข้านั่งกินเองเลยโดยไม่ต้องเชื้อไม่ต้องเชิญกันละเป็นใครมาจากไหนอย่างไรก็ไม่รู้ครั้นกินอิ่มแล้วก็กลับขึ้นไปนอนนิ่งแค่นบนเตียงอีกแหละบางทองก็ยิ่งสงสัยให้ ค, คนไปบอกหวัวเกงไปตามหัวดเกงมาสิท่านผู้นี้เป็นใครยิ่งใหญ่เพียงไหนอะไร อยู่ในแวดแหวนแดนเสัวนี่หรือไงหัวเจียงรู้จักหรือไม่หัวเจียงก็มาพอหัวเตียงมาถึงประตูบางท้องออกไปรับแล้วก็เราเรื่อความไม่ฟังคนนึงรูร้บางอย่างนี้รัตนายังนี้ทํอย่าง น, างนี้อย่างนี้ อ, อย่างนี้หัวเจียงไม่ฟังก็จึงว่าเอถ้าทําอย่างนี้ข้าพเจ้าวันมาจะเป็นแพรเอี่ยวนะหัวเจียงว่าอย่างนี้แล้วก็พากันเข้าไปขัน้นใหม่ บุคคลผู้ิที่ ท, ที่ิกลี่กลปราปราดปาราดผู้นั้นคือแพเอียวนั่นเองแหละแพเอียวแลไรหัวเจิงมาถึงก็ดีใจรู้ขึ้นปบมีหัวเราะแล้วก็ร้องทักว่าขวดเจ้งทํามาหรือทุกวันนี้มีความสุขประการใดบ้างหัดเจ้งก็ทักทายตอบรับไปตามประเพณีบางทองก็ถามว่าท่านผู้นี้ชื่อไรหัวเจิงก็ตอบว่า คนผู้นี้ชื่อแพเอี่ยวเป็นชาวเมืองกง๋งฮานเป็นคนมีสติปัญญามากได้รับการแต่งตั้งอยู่ในที่ปรึกษาคนสำคัญของเหล่าเจียงเพื่อกอบด้วยความซื่อตรงนะแต่ว่ากล่าวสิ่งใดก็ไม่ได้โลเลยเหมือนคนทันง้งปวงเหล่าเจียงไม่ชอบใจขึ้นโกรธว่าผู้จาอหยากช้าจึงปักผมเสีย ประจานให้ได้อายแล้วก็ขับออกมานี่ให้อยู่ในเมือบังทองปริทราบความเช่นนี้นี่ก็ยินดีทีเดียวเพริตวัตรที่ท่านมานี้จะประสงค์สิ่งดัดแผเอียกก็จิงบอกว่าเรามาบาัดนี้หวังจะช่วยชีวิตทหารท่านแต่ว่าเราจะบอกอย่างนี้ได้ให้เราปีมาหาเราก่อน จึงจะบอกให้นี่หัวเกจึงให้คุณไปเชิญเล่าปีมาเล่าปีก็มาพอมาถึงก็ถามทีเดียวว่าท่านจะบอกสิ่งใดก็จงเอ็นดูปัดแจ้งไปให้เข้าใจหน่อยเถอะแพร่เอ่ยวแทนที่จะบอกกลับถามกนทีเดียวว่าทหารซึ่งตั้งอยู่ที่ค่ายช่องแคบนั้นนะ่ะมีมากน้อยเท่าไรเล่าปีก็บอกว่า มีฐานเอกอยู่ก็แต่ห้องตงกับอุเอียนสองนายคุณฐานเลยออยู่ประมาณหมื่นแพ่ิวผู้ยิ่งใหญ่นี่ก็จริงว่าเล่าปี่ท่านก็เคยทำสงครามมารากฏว่ามีสติปัญญาเหตุใดตัวเป็นแม่ทัพจึงไม่ได้รู้จักแผนที่ก่อนและทำการท่านนี้ดูเบาแก่ข้าสุดนะ สำคัญว่าผิดปังอยู่นั่นน่ะมีแล้วหรือและแม่น้ําปวยกังก็อยู่ใกล้ผิดปังค่ายนั้นก็เป็นที่ลุ่มก็ทำํำนั้นข้าตึกขายน้ำมาหักเข้ามาท่วมค่ายไปแล้วอ่ะจะยกฐานร้อมหน้าร้อมหลังไว้ระดมรบนิถ้าหารท่านจะมิตตายเสียสิ้นทั้งกองทัพมันหรือดีท่านผู้ยิ่งใหญ่จริง ปีได้ฟังแทรเอียว่ามันก็ตกใจได้สติเห็นชอบด้วยทีเดียวละ่ะพูดถึงความตรงนี้ความริงแล้วเนี่ยก็บังทองละ่ะบังทองที่ว่าหกล้หองซือมีสติปัญญาเหมือนกันนี่บังทองมาในกองทัพราปีก่อนในฐานะเป็นเสมนาธิการใหญ่แห่งกองทัพอยู่แล้วแค่นี้ ให้เราปีนฟังให้ตั้งทับดีเช่นมันนีถ้าเราจะย้อนพูดกันสักนิดเดียวความผิดอันนี้ก็มีควรพ้นจากบังทองที่จะต้องเป็นผู้รับผิดด้วยสิยังไงก็ตามไปอเอับแพเอ๋อมาชี้แจงบอกกล่าวเีนีละเล่าปีเห็นจริงทีเดียวก็จริงว่าบัดนี้แพเอ๋อได้พูดว่าและบัดนี้ข้าพเจ้าเห็นดาวสําหรับผู้มีดุล ขึ้นอยู่ข้างทางฝ่ายทีพยปราจีมีรสมีสุสัยนะแต่ว่ามีดาวดวงหนึ่งสีขาวเทียงอยู่เห็นร้ายจะมีอันตรายมาถึงท่านเป็นมั่นคงให้เร่งระวังรักษาตัวให้จงดีมีเป็นความสำคัญทีเดียวผิดแพ้อียวบอกกล่าวขึ้นแค่นี่ยแต่ที่เห็นมันมันเห็นเป็นปรากฏการณ์บนท้องฟ้า มันจะอ่านให้แจ้งมืนแสดงด้วยตัวอักษรนี้กระไรได้เรายังไงก็ตามไปแพรีเอ๋อบอกอย่างนี้ <Okay. S 1> เหล่าปีอ่าก็คำนับแพรี่เอ๋อดังที่ปึกษาผู้ใหญ่คนหนึ่งทีเดียวแล้วก็ส่งคนรีบไปบอกแบบอกฮองตรงอีเอียนให้เร่งกำชับกำจัดปวดกล้ารักษาไข้ประมาทระวังอย่าให้ข้าตึ๊กขายหน้ามาท่วมบา่ายฮองตรงอีเอียนเมื่ได้แจ้งแล้ว กดช่วยกันออกกระเวงตัวตรารักษา่ายเป็นกวดขันพอเวลากลางคืนวันนั้นเกิดฝนตกหาใหญ่หลิงเปาผู้ที่หลับปีปล่อยไปแล้วว่าจะเม่ทรยศยังไรก็ปามเอถอะปฏิว่ตเหลิงเปาทรยศก็มิถูก เหลิงเปล่าเป็นหันบุญเสฉวนก็ここจำเป็นอยู่เองที่ต้องจงังวัดพักดีต่อบ้านเกิดมิ่งนอนของตนละ่ะเราปีปล่อยแล้วกลับมาแล้วก็ทำํำนาทีของตนตามเดิมคุ้มฐานห้าพันรีบมาถึงที่ที่จะขุดคลองแบ่งน้ําเนี่ยก็เหลิงเปล่าเป็นผู้วางแผนเองแหละแต่ทบน้ําเข้าพ่วงขายของตงอุยเอียนเนี่ยอ๋อเหลิงเปลาหนากาักกะเกณแบ่งปันทำนาที่กรีนที่ที่จะขุดก็พอดีอุยเอียนคุ้มฐานออกมาเที่ยฟอดแหนมนะ่ะ ก็ที่เราปีเตือนอุเอียนห้งตรงให้สมฐานคอยตรวจตราวักษาให้เขณฑขันอุยเอียนมาตรวจตราก็เห็นการมีเข้าออก็ให้ฐานร้องโ h o ขึ้นเหลิงเปาได้ยินเสียงโ h ร้องก็ตกใจฐานน่ะพวกก็แตกตืนเป็นโอร ม, มานถึงเหยียดจนล้มตายจนนักมาก<ม>เหลิงเปาขับมามาพบอุยเอียนสะกัดอยู่ก็ได้เข้าคู่รบกันคู่กันได้ห้าเพลนอียเอียนจับตัวเหลิงเปาได้ งอหลังมีกองคุมหันเป็นกองป้องกันมาข้างหลังมีเสียงอื่นๆขึ้นน ะ, อะงอหลังมีือองหนึ่งเป็นฐานของหนึ่งเสฉวนอคุมหันมาคอยคุมกันให้กับเหลิงเปาเนี่ยแต่มันคุมไม่ทันกันไม่ได้ไมื่ินเสียงอื่นอก็ขับมา้ามาถามที่จะมาช่วยเหลิงเปาแหละก็มาพบหองตงส ก, กัดอยู่ก็ขับม้าเข้าคู่รบด้วยฮองตงด้วยสองถลง่มตามไปมีฮองตงทหารผู้เท่ามิได้ก็ถอยไป เอเียก็มาเอาเหลงเปามาส่งให้แกเล่าปีนัาด่านปุวยสี่ขวนเล่าปีเห็นเหลงเปานี่ก็ด่าทีเดียวนี่ถ้าเป็นทางบ้านของเล่าปีนี่ก็ต้องดาแล้วต้องโกรธ่ะเพราะสู้ปอดได้ไงอย่าทรยศนะกลับทรยศคือนําพับมาก็ทําที่นี้เล่าปีก็ด่าทีละไอหาความศักดิ์มิได้แล้วก็สั่งให้ฐานเอาตัวไปฆ่าเสีย มือมัดแกอุยเอียนเป็นอันมากในขณะนั้นพอดีมาเลียงมาเลียงได้เข้ามาหาเล่เาปีเขามาคำนับแล้วก็บอกว่ามืเก่งจีนั้นมืยังเป็นสุขอยู่หาอันตารายนี้ได้บัดนี้ผมเบ่ใช้ขาบาเจ้าถือนังสือมาถึงท่านแล้วก็ดึงหนั้นออกให้แกเล่าปี ราปีก็ทีไปเออกอ่านดูเป็นใจความว่าในปีกุไมนปีกุนนี้ข้าพเจ้าเห็นดาวดวงหนึ่งปรากฏอยู่ตรงเมืองลกเสียอยู่ข้างฝ่ายปลาจินนร์ิกมันร้ายมนาะเห็นจะเสียแม่ทับไม่กองซึ่งยกมาครั้งนี้เป็นมั่นคงขอให้ท่านเร่งระมัดระวังรักษาตัวยาประมาท นีก็ปรากฏการอันเดียวกันดาวดวงเดียวกันแพรเอี่ยวอ่านเป็นความว่าเห็นดาวสำหรับผู้มีบุญขึ้นข้างฝ่ายที่ปลาจินมีรักษณะสุกฝนะ่านักแต่ว่ามีนาวดวงหนึ่งสีขาวเขี้นอยู่เห็นร้ายจะมีอันตรายมาถึงท่านเป็นมั่นคงให้เร่งระวังรักษาตัวจงบีแพรเอี่ยวแห่งเสฉวนอ่านปรากฏการบนฟ้าเช่นนี้ ฮกหลงของเบงถึงกรณีอยู่เกงจิวได้อา่านปรากฏการบนฟ้าเราเขียนหนังสือมาบอกเราปีเป็นความอย่างเนี้ชัดแจงด้งลงไปเลยสําหรับเล่าปีเลยทีเดียวว่าดาวร้ายที่ปรากฏอยู่เนี่ยจะเสียแน่ครับนายกองเราปีแจ้งความในหนังสือนี้ก็บอกแก ม, มาเรีนกว่าซึ่งคองเบงให้หนังสือมาทีนี้ก็แจ้งแล้วเราก็ระมัดระวังตัวอยู่นีไ้ได้ประมาท ใท่านรีบกลับไปบอกแก่คองเด้งเถิดมาเรียนก็ำมับลาเล่าปีกลับไปเมืองเป็นจิวบัติปรากฏการบนท้องฟ้า น, น, น่ะนกหลงอ่านอย่างนงีแจ้งให้เราปีทราบแพเอเยวแห่งเสยชวนนะครับก็อ่านอย่างนง แจ้งให้เราปีรูี้โดยเฉพที่สําคัญดิจากหนังสือที่หกหลวงคงเด้งทรงมันเนี่ยโดยเฉพาะให้เราปี๋ววระมาระวังจะเสียแม่ทัพนายกองเนี่ยเราปี๋ก็ปรึกษากับบางทองที่เดียวว่าคงเด้งให้มีหนังสือมาว่าอันตรายจะมีแก่นายทัพนายกองนั้นครั้งเราจะแข็งอยู่ทําการส่งไปเราเกรงว่าอันตรายจะมีกีิ อยกทับกลับไปมือเองกิวก่อนจะได้ปรึกษาหารือเรื่องเบ้งผู้เป็นใหญ่นี่เราปีกล่าวขึ้นเช่นนี้โดยเฉพาะมันสําคัญอยู่ตรงคำเดียวเท่านั้นเองแหละที่ว่าจะกลับไปกินกิ๋วก่อนจะได้ปรึกษาหารือเรื่องเบ้งผู้เป็นใหญ่นี่สิแล้วมันทองละ่ะมี่ใช่ผู้เป็นใหญ่ยอย่างนั้นหรือก็คงจะเป็นเช่นนั้นละกระมัน เอาเราเปีพูดอย่างนี้จะไป้ปรึกษากับผมไม่ผู้เป็นใหญ่บางทองก็คิดทีเดียวมันทองต้องคิดทีเดียวและณตรงนีแ้แหละจุดสำคัญที่สุดดาวดวงเดียว แค่ น, นี้เนี่ยด้วยใจฤิ์ยาเราเห็นว่าเราจะทำการได้บมืนเสฉวนมีความชอบเป็นอันมากดิงนแล้งให้หนังสือมาขัดขวางไว้เพื่อจะไม่ให้ทำการนี้นี่ถ้าเราจะกล่าวลงไปโดยแท้โดยชัดไะครับผู้ที่มีใจฤิ์ยาหรอก แต่คิดว่าคนอื่นนะ่ะมีใจริษยาความเบลแพ้ปรากฏเข่นนั้นดาวดวงเดียวกันปรากฏการอันเดียวกันสิทธิอาจารย์เดียวกันและได้รับการยกย่องกล่าวขวัญหรเป็นผู้ที่มีสติปัญญารอบรู้คู่กัะจุกหกหลงหองซูเนี่ยมีสติปัญญาเท่าเทียมกันเนี่ยแต่อ่านปรากฏการเหมืนกันนั้นต่างความหมายกันไปชนิดบางทองนะคิดว่า ที่ตนามารอบปีมาบัดเนี้ก็ต้องเดียวว่าใกล้จะได้เสฉวนอยู่แล้วทับผ่านหนึ่งลกเสียได้ก็หมายถึงเข้าเสฉวนได้อ่ะบางทองคิดทีเดียว่าเราอคนเล่นอิจฉาริษยานินซื้อมาอย่างเนี้ยบอกว่าจะเสียแม่ทับไม้กองก็เพื่อให้เราปีนี่เลิกทับกลับเก่งจิวความดีที่ตนจะได้มันก็จะไม่ปรากฏ มีเหมือนแกล้งกันมีบางพองคิดหนักช่นนี้ก็มีผู้กรเร้าปีวะทุกวันนี้เข้าไปเจ้าก็รู้อยู่ดูในอากาศนะเห็นดวงดาวดวงหนึ่งร้ายจริงนี่แต่ว่าเหตุหนึ่งมันได้แก่เหลงเปาต่างหากักว่านี่บางทองอ่านอย่างนี้เหลงเปาฐานหนึ่งเสฉวยที่รอบปี กลับได้มาให้แกเราปีเราปีปลอยกลับไปแล้วเหลิงเปล่ากลับมาตีอีกถุกเหียงจับอีกแล้วเราปีสั่งะหารชีวิตไปนี่มังทองบอกว่าเหตุที่ว่าร้ายร้ายนั่นอ่ะมันได้แก่เหลิงเปล่าตังหะตึนดาวดวงนี้ปรากฏอยูทุกวันเนี่ยจะได้แกตัวท่านตึนจะได้เป็นใหญ่ในเมืองเสถวนเสียอีกเหตุแค่ไหนอ่ะท่านมาสงสัยว่าจะมีอันตราย และจะต้องยกกลับไปมึงเก่งจี๋เราข้าไปจอมเห่นเมื่อขอให้ท่านเร่งยกฐานรีเข้าทําการไปเอามือเสียฉวนเถิดบางทองกล่าวเช่นนี้แล้วก็ดังกล่าวแล้ว6กหลวงหองฟูมีคู่กันดังนั้นพ้อยคำของบางทองจึงมีน้ำหนักพี่งพอที่เหล่าปีได้ฟังบางทองว่ากล่าวทช่นนี้ก็เชื่อเชื่อวังก็จึงเร ย, ยกฐานกลับเข้าไป ใกล้ค่ายช่องแคบซึ่งห้องตรงอีเอียนรักษาอยู่นั่นอีกบังทองหลังจากผู้จาเจงยอดกีดพร้อมที่จะนำทัพ บ, บุกเข้าเสฉวนต่อไปแล้วก็จึงถามหัวเจงว่าทางที่เราจะเข้ามืองลกเสียนั้นเนี่ย มันเป็นมีทางเดียวหรือมีทางแยกอีกรดเจิงก็แผนที่ซึ่งเตียวสงเตียวสงผู้ความจําดีแต่ตายไปแล้วเอาวดเจิงก็แผนที่ที่เตียวสงวาดไว้เนี่ยเอามาออกมาดูละ่ะนี่ยแผนที่จะบับสําคัญเนี่ยบางทองก็พิดเคราะ์ดูแผนที่นี่เห็นมีทางนี้เป็นสองทางเป็นทางเล็กทางหนึ่งที่จะวัดไปตามฟอกขาวนี่เป็นทางเรู สรวนทางใหญ่น่ะจะต้องอ้อมแต่ทางใหญ่บางทองดูแผนที่แล้วก็จริงผูก้กระเ่าปีวาซึ่งจะยกเข้ามือลกเสียนั้นข้าพเจ้าจะขอคุมทหารไปป็นทางน้อยเป็นทางลัดนะ่ะและขอให้ท่านเนี่ยยกไปทางใหญ่กระเราปีก็จริงว่าอันทางน้อยนะ่ะเป็นทางเล็กทางแคบรับขันน ะ, ะเนอย่างว่าข้าจะแต่งทางมาสกัดอยู่ว่ะ ตัวท่านนี้ทำมาแต่พิจัยยิงเกาครั้งมันก็จะขับสนเห็นจะเสียพี่แกข่าศึกชอบแต่ท่านนี้จะคุ้มหานไปทางใหญ่เข้าทางข้างประตูพิศต ว, วันออกส่วนข้าพเจ้าเนี่ยทำ ม, มานการเ่าทางจะยกไปทางน้อยไปทางเล็กนินเดียจะไปทางลับเองถือว่าจะพบข่าศึกก็จะสู้รบโดยสะดวกนี่เราปีกาวดังนี้ บางทองก็จริงบางอันทางใหญ่นั้นนะข้าพเจ้าเห็นว่าข้าสึกจะยกฐาน ม, มาสกัดอยู่เป็นอันมากซึ่งข้าพเจ้าจะยกไปทางใหญ่นั้นจะ ต, ต่อได้กำลังข้าสึกนี้ได้ก็จึงจะขอไปตามทางเล็กทางรัดเดินว่าข้าสึกจะเบาบางพอที่กำลังข้าพเจ้าจะสู้ได้อันทางใหญ่นั้นผู้อื่นจะยกไปก็เห็นว่าจะเสียทีก็ควรที่ท่านยกไปเองจึงจะชอบ บางท้องก็เหตุผลอย่างนี้อีกแหละเรือว่าหักล้างกั น, นอ่ะเล่าปีก็ริงว่าท่านจงไปทางใหญ่ตามที่ขบเจ้าว่าเถิดเดี๋ยได้ไปทางเล็กนั่นเลยดเกดึอคืนเนี่ยขพเจ้าฝังร้ายเห็นว่าใจอยู่ว่ามีเทวดาองค์เอาไม้กระบองเหล็กมาตีถูกแขนซ้ายขบเจ้าเกตัวเป็นกำลั ง, งตื่นขึ้นมานา่ะก็ยังมีหายเจ็บ ดจอยู่ชนเชนนี้กิน จ, จะให้ท่านไปทางใหญ่ซึ่งปลอดภัยกว่าเอาเลาปีก็ว่าอย่างนี้อีกบางทองก็ถือว่าอันเกิดมาเป็นทหารทำการสงครามแม่นิตายมันก็จำต้องบาดเจ็บมันเป็นประเพณีเหตุใดอ่ะท่านจะมาวิตกเดือดร้อนด้วยความฝันช น, นิี้หาต้องการมัด บางทองต่างโต้แย้งเหตุให้ผลกันการที่จะยกไปคือทัพนี่จะแบ่งเป็นสองทางทางนึงจะไปทางเล็กอีกกลองนึงจะไปทางเล็กอีกกองจะไปทางใหญ่ใครจะไปทางใหญ่ไปทางเล็กเนี่ยเอาเราปีก่ว้เหตุให้ผลบางทองไว้ผลให้เหต่ในที่สุดบางทองก็สรุประว่าอืมอันเกิดมาเป็นทหารทําการสงครามแม้ม่ตายก็ต้องบาดเก็บเป็นประเพณีมันเป็นธรรมดาไม่เจ็บก็ตาย เหตุใดถ้าจะมาวิตกเดือดร้อนด้วยความฝันชันนี้หาต้องการไม่หนึ่งเล่าปีก็จริงว่าเอาท่านวาดดังนี้ก็ชอบอยู่แล้วแต่บัด น, นี้ขบเจะมีความวิตกประเด็กโขงเบ้งให้นังสือมากลัวจะเป็นอันตรายจึงไม่ได้ไว้ใจเลยคิดจะให้ท่านอยู่รักษาด่านป่วยสิกวนวัดแต่ตัวขบเจ้าจะยกไปทำการแต่ผู้เดียวเองท่านจะเป็นวิตกกังวลเลยเรา ก็ตัดบทซะอย่างนี้เลยไม่ต้องพางใหญ่ไม่ต้องทางเล็กแล้วแต่นี่ด้วยความห่วงใยของร่าปียมีอยู่เช่นนี้เป็นความจริงและก็ด้วยความเชื่อที่ของเบงบอกปลาพุ่มปิงมานั้นนะ่ะถ้าผิดพลาดกลายเป็นอันตรายลงไปเนี่ยตนเองก็จะถูกตำหนิและก็เป็นผู้ทำให้ผลงานของตนเสียหายไปเองด้วยร่าปีทิึงตัดบทไม่ให้บางทองไปจะให้บังทองอยู่รักษา ด, ด่านปู้ซี่กวน บางทองก็หัวเราะทีเดียวและนาบัตรนี้แหละบางทองถึงกับเก็บความม่ใจไว้ไม่อยู่ล่ะบางทองหัวเราะแล้วก็พูดขึ้นมาว่าซึ่งคงเบ่งให้หนังสือมานั้นด้วยริศยาในขบะเจ้านี่บางทองพูดออกมาเลยแต่แรกมันเป็นเพียงแต่คิดมาบัตรนี้นีบางทองพูดอย่างนี้เลย ดูเห็ว่าขบเจ้าเด็เกกระทำการมาได้ท่านจนจะได้มือเสฉวนเป็นความชอบคงเด้งจึงนีนิสัยว่ามาท่านหวังใจะให้ท่านสงสัยใจนิให้เกิดทําการต่อไปให้ตลอดเมื่อการนีก้กระทําไปนิตลอดขบเจ้าก็หามีความชอบไม่ซึ่งท่านนิมิตรฝันเช่นั้นก็ดีอยู่หรอกอย่า ก, กินใจเลยคือราบีบอกฝันว่ามีเทวดา เอากระบองเหล็กมาตีแขนเจ็บปวดมากตื่นแล้วก็ยังไม่หายเจ็บเนี่ยเกรงว่าจะเสียแม่ทับในกองมือขวาแขนขวาแขนซ้ายนี่แหละมี่บางทองก็บอกว่าตั้งฝันนี่ก็ดีแล้วแต่อย่า ก, กินใจเลยอย่าคิดเลยตัวข้าพเจ้ามาทํำราชการอยู่ด้วยท่านก็ตั้งใจจะอาสาให้ถึงขนาดปราทถนาเจ้โลหิตทาแผ่นดินไว้ปรากดไปในพายมากถึงจะเป็นอันตรายแก่ชีวิตก็มิเด้คิดเวลาพรุ่งนี้เชา้า ขอให้ท่านรีบยกทหารไปเถอะเหล่าปีไเด็กฟังบางทองว่าดังนี้ก็เห็นด้วยก็จึงจัดให้อวีเอียนเป็นกองหน้าของบางทองให้ฮองตงเป็นกองหน้าของทัพหลวงคือของเรล่าปีเองและจัดแจงฐานทัพพวงพรักพร้อมวัด ครั้นเวลาเช้าอือเช้าละพับจะกเกิดไปพร้อมแล้วขึ้นเช้ารอบปีบางทองก็ขึ้นมาเคียงกันยกออกจากค่ายมาบางทองนั้นค่อยประเอินเดินพลาดขาขาดไปนี่เหตุนี้เ็าการมันเข้ามาแทรกมาแสงเอ่อให้สิ่งที่จะเกิดมันต้อง ที่จะเป็นมันต้องเป็นนี่ให้เป็นอย่างนี้ขึ้นมาเจ้ามาเกิดขาขัดกระเพกกระเพกบางทองพระตกจากหลังมาราบปีอย่านี้ก็โจรจากหลังมาเข้าไปพยุงตัวบางทองวัดด้วยจากหนังสือที่คงไม่มีมาตื่นนั้นราบปีก็เฉลอใจวันวาดวานนิตกถึงบางทองอยู่มากเกรงว่าบางทองจะจบชีวิตลงไปในครั้งนี้ ด้วยความห่วงยายเป็นที่ยิ่งนะป่าวปีเองกล่าวได้ว่าตําแหน่งก็คือจอมทัพก็ถึงกับจรนจากหลังมา้าไปไประยุงบางทองด้วยความตกใจอะ่ะแล้วก็ว่าฉันหนมือท่านเป็นดังนี้บางทองก็จริงว่าม้าขบเจ้าเด็เคยขีย่เข่าศึกสงครามทําการรบพุ่งม้ากว่าช้านานนีไ่ได้เป็นเชนี้เลยพี่มาเป็นทั้งนี้เนี่ยก็ด้วยเพราะขบเจ้าประมาท บางทองกล่าวดังนี้เหล่าปีก็จริงว่าเมื่อมาท่านมันมักพลาดแคนี้แล้วถ้าเข้าสู้บกับข้าศึกจะมีเสียทีหรือท่านจงเปลี่ยนเอามา้าของข้าพไปขี่เถอะข้าพเจ้าเอามักจะเอามา้ า, มาของกันมาขี่เองเหล่าปีก็กล่าวด้วยความหวังดีปราถนาดีเป็นที่ยิงด้วยความจริยใจแค่นี้ก็จึงเปลี่ยนมากันเหล่าปีกับบางทองก็เปลี่ยนมากันขี่ บางทองก็คานับเล่าปีแล้วก็พูดว่าครั้งนี้ท่ามีคุณแก่ข้าพเจ้าหาที่สุดนี้ได้และบางทองก็ยกทหารไปก่อนเล่าปีเล่าปีก็ยกตามไปแต่ในใจนั้นก็มีแต่ความวิตกถึงบางทองอยู่นิไม่มีความสบายเลย ง อ, อีเหล่ากุ๋ยซึ่งไปรักษาเมืองลกเสียอยู่นั้นมีทหารเมืองเสียชวนครับง อ, อีเหล่ากุ๋ยอยู่รักษาเมืองลกเสียเนี่ยมีการกล่าวย้อนไปนิดนึงรว่วนเหล็งเปลาเนี่ยที่ว่าไปทำการพดน้ำให้เขาท่วมค่ายหองตรวีเอียนแล้วก็เลยไปถูกเขาจับตัวไปให้แกร่าปีผูกรอาปีฟังประหารถึงแต่ความตายไปแล้ว วนเล้งเาผู้นี้ตายแล้วก็ปรึกษากันอยู่เปียวหญิงเตียวหญิงเตียวหญิงก็จินเข้ามาพูดว่าบัดนี้เราปี่จะยกฐานเข้ามาทำมันตรายเรานี้ข้าพเจ้าเห็นว่าอันทางลัดซอกเขาที่จะเข้ามาสู่เมืองลกเสียเนี่ยเป็นทางขับขันนะข้าพเจ้าจะขออาศาัยยกฐานไปสกัดอยู่ณทางนั้น แม้เราปียกมาก็จะได้รบพุ่งต้านผ่านไว้ดคอยกันทั้งสองอยู่รักสามมือเถิเดเตียวหยิมคนนี้สําคัญทีเดียวอเตียหยิมเจจายังไม่ทำเอกสารคําถามเขาเข้ามาบอกเราบัดนี้เราปียกกองทัพมาเป็นสองทางเป็นสองทางก็คือทางเล็กทางใหญ่เลยที่จะเข้าสู่เมืองลกเสียเนี่ยเตียวหยิมไม่แจงนี่ก็รีบยกฐานได้คอยสกัดอยู่อยังทางรับสอกเขาอ่ะครั้ ใบส ก, กัดอยู่แคนั้นแล้วก็เห็นวีเอียนเป็นกองหน้ายกมาละวีเอียนเป็นกองหน้าของบังทองเดียวหญิงก็ห้ามผ่านทังตัวให้สงบปากคำมัด แ, แล้วก็ขี้บอกว่าที่ยกมาข้างหลังนั่นนะ่ะนั่นม้าขาวเนี่ยม้าขาวตัวนั่นคือเล่าปีเราคอยทาเล่นจับเอาตัวให้ตรงดี เดียวินสังเกตได้แต่ม้าอันเป็นผานนะซึ่งเหล่าปีกับบางทองเปลี่ยนม้ากันเดียวหิงเห็นมา้าขาวตัวนั้นก็สําคัญว่าเป็นเหล่าปีให้คอยคำนิยจับเอาตัวให้จงดีฉะนั้นบางทองก็ด้วยมาเนี่ยไม่มีเหตุการณ์อันใดด้วยขาดสึกซุ่มสงบไว้คอยผีที่จะเอาให้ถึงตายอ่ะบางทองนั้นก็มาถึงทางซอกขาวเนี่ย เห็นทางแคบขับขันนะักมีต้นไม้รกชักไปทั้งสองข้านต้นไม้รกชิดไปหมดก้อยคิดกลิ่นเกลิใจชักมาหยุดทีเดียวและบางทองก็ถามว่าตำบล น, นี้ชื่อใดทหารชาวมีเสื้อวนที่มาเข้าเกลี้ยกล่องดูเนี่ยก็อยจีนบอกว่าในตำบลที่นี้ชื่อว่าลกบ่องโหวบางทองเด็กฟังดังนั้นก็จึงคิดว่าตัวเราเนี่ย อาจารย์ก็แต่งนามตั้งชื่อให้ว่าฮองซูฮองซูอันแปลว่าโหมและทางที่จะออกจากศอกเขาเนี่ยเป็นท้องทุ่งก็ธรรมดาว่าโหมนั้นแม้จะตกทุ่งอก็ไม่อาจจะบินไปได้ตัวเราก็ได้ชื่อนามว่าโหมจะตกท้องทุ่งนี้ก็จะมีอันตราย บางทองอ่านชื่อตำบล น, นี้ออกดังนี้บางทองก็คิดสดุ้งใจก็สั่งฐานถอยกลับขณะนั้นสิมันเข้าไปจนถึงที่ที่เขาแล้วเนี่ยพอสั่งฐานถอยออกมาเตียงหิงก็สั่งฐานจุดประทัดสัญญาณขึ้นเลยทีเดียวเสียงประทัดสัญญาณใหญ่ส น, นั่นเปรยงเสียงโห่ร้องดังส น, นั่น เราฐานมีเสียชุนใตบ้บังคับองค์เดียวหิงที่สุนอยู่นั้นเป็นกองเก่าทันทั้งนั้นก็ระโดมยิงเกาทันกระนาประดมลงมาทั้งสองข้างน่ะนี่เป็นทางศอกเขาอ่ะเขาซุ่มหมาไว้ทั้งสองข้างเลยกระดมยิงเกาทันลงมาทั้งสองข้างกระนากระมำรุนแรงที่สุดเกาวทันดอกหนึ่งก็ถูกบังทองเข้าที่สําคัญถึงกับโตกจากหลังมาลงไปถึงกับความตาย ทหารทั้งเปลืงต่างคนต่างก็แตกตื่นเป็นอลลมานไปเลยทีเดียวบางทองจบชีวิตลงไปแต่ยังน่าเสียดายละดูมันเป็นการง่ายเหลือเกินที่จะตายนะบางทองตายดึงเก่าพันคณะ เมื่อบังทองถึงแต่ความตายนั้นอายุได้นี่บังทองสามสิบหกปีบังทองอายุสามสิบหกปีเท่านั้นทหารทั้งปวงทิ่แต่ะรามานั้นก็ตามขึ้นไปทั้งมีเอียนอ่าเขบอกว่าบันนี้ข้าเสร็จยกมัสกัดข่าบังทองถึงแต่ความตายแล้ว มีานที่แตกขึ้นึุ้เอียนเป็นกองหน้าไปนี่ทหารที่แตกกเดื่ขึ้นไปก็มีไปอืนก็มีไปไหนก็มีไปถึงอุเอียนก็บอกอุเอียนว่าบางทอตายแล้วอุเอียนก็ตกใจไปยกฐานกลับลงมาก็พอดีเตียหยิมยกเข้าตีป้านมาอุเอียนวัดก็เดืรบกันเป็นโรมานอุเอียนจะกลับก็กลับไม่ได้อ่าครังจะถอยมาอีกเตียหยิ่ก็รบรุกรานขึ้นมาเมื่ออุเอียนต้องรบ ทั้งข้างหน้าข้างหลังอยชนะคือเขาไปปิดอยู่ในฟอกเขาหน่อยสิเขาตนะีา ป, ประดังกั น, านมาอยู่ก็มีปิดตีกันมาไปข้างหลังก็มีนี่ทหารของอุยเอียนนะ่ะล้มปายเป็นอันมากอุยเอียนนะขัดสนจงใจนะเมื่อรู้ที่จะทําประการใดได้เลยทหารชาวมือสวยฉวนที่มาเข้าเปลี้ยกล่อมอยู่ด้วยนี่ก็ทีพูดว่าท่านจะสู้รบป้านทานอยู่เช่นนี้มิได้แน่ด้วยทหาร มือเสียวนที่ตีกระนหนาบมากหลังเนี่ยมากมายเป็นสามาถขอให้ตีบาดหน้าไปทางซ้ายมือรับไปออกเอาทางใหญ่นเพื่อเข้าบรรจบด้วยกับกองทัพเราปีเถิดมีทหารชาวมือเสียชนที่มาสามิพักก็รู้คุณประเทศดีบอกลาเช่นเนี้ยมีเอียนก็เห็นชอบด้วยก็พาฐานรีบไปบาดทางออกไปทางด้านซ้ายมือประมาณสามสิบเส้นไปตะ ไ, ไ, ไปไ ด, ไปได้ก็ไปพบลุย สองงอหลันคุณหันยกเขามาประทัดตาหน้าไว้แล้วก็มีเตี้ยวหญิงเนี่ยเตี้ยวหญิ้มมีอสองงอหลันมีถานเสฉวนนะเขามาส ก, กัดหน้าอุยเอียนไว้อีกเตี้ยวหญิ้มผู้สังหารบางทองได้ก็ขับมาติดตามตีกระทั่งมาข้างหลังอุยเอียนเข้าอยู่ถ้ำ ก, กลางเขาเกระหมาดอยู่แคนี้จะหักออกไปจะถอยไปประการใดอย่างไรก็มิได้ ขับมาเข้าสู่รบปีตลบมาหลังเป็นอุตรุวีเอียนลักษณะอันว่าดีมีอยู่นั้นนี้ในตัวเขาแต่ฝีมือีเอียนนั้นเป็นที่คุ้มคุ้มชีวิตเตนได้ทีเดียววีเอียนควบมาปีตลบรบเป็นอุตรุตก็พอดีห้องตรงทหารเท่าถูกแก่ที่วีอเอียนดูถูกฝีมืนี่แหละ ยกเป็นกองหน้าเราปีเนี่ยมาถึงทางใหญ่นี่รับคืออุเอียน่ตีบากมาสู่ทางใหญ่เนี่ยฮองตงขึ้นมาถึงพอดีอ่ามาถึงป่าทางนัดซึ่งนอกหลังมีสองยกไปนนะั่นอ่ะฮองตงและเห็นทหารอ่าโหร้องรบกันเป็นโอลลามันก็คิดวันนี้ชาลอยอุเอียนคงจะยกมาคันนี้แล้วก็ขาดเสศึกมาสกัดรบพุ่งกันอยู่เป็นแน่ฮองตงก็ขับทหารไปกระทบเข้าไป แล้ก็ร้องตะโกนบอกว่าอุ้ยเอียนอย่าได้กลัวแต่ความตายเลยบาดนี้และเราห้องตรงมาช่วยแล้วห้องตงตะโกนบอกเข้าไปก่อนนี่เป็นการให้กำลังใจให้น้ำใจกันได้อย่งดียิ่งอุยเอี้ยนได้ยินเสียงห้องตรงตะโกนบอกตรงแค่ น, นั้นก็มีกำลังใจเป็นพระเรกเวียนทีเดียวล่ะก็รบกระหนออกมาห้องตง ก, ก็ตีกระหนําเข้าไป ไปจบกันได้เป็นสองแรงวีเอียนกับฮองตงก็ช่วยกันตีกระหม่อมากวัน ง, งอหลันมีตองทานไม่ได้ก็แตกหนีทหารทั้งกลืวงล้มปลายเป็นอันมากทีเดียวฮองตงกับุยเอียนตอนนี้ก็ต้องเรียกว่าเป็นเป็นทีบังระได้ทีแล้วก็คุมฐานร้ยไปตามตีถางเงนเมืองเสฉวนไปถึงเชิงกำแพงเมืองลกเสีย ก็ไปบรจุกับกองทัพเราปีเหล่าขุนผู้อยู่ในเมืองผู้รักษาเมืองก็ให้ทหารเอาเก้าพันยิงรบพผ่งต้านหันไว้เหลาปีจะปีหักเข้าอมูลโลกเสียก็อนนีดได้และเมืองนี้อยู่ในเชยทุนที่สูงกว่าด้วยเหลาปีก็อุณหันกลับหลังมาจะเข้าไข่ช่องแคบละงอหลานกับเหล่าขุนเหมือนดังนั้นก็กขับหลานรถพุ่งติดตามออกมาเห็นเหลาปีหนีนเหล่าปีถอยแล้วนี่ก็พอดีเตียวญิง ยกคือไปแตกแตะเริน ม, มาจากห้องตรงอุยเอียงยกตลบหลังมาทางซอกเขามาทั้รอบปีเข้าเนี่ยหินก็รวมกำลังตบกับงอหลังเหล่าคุย้ยช่วยกันลบพุ่งร้อยกระชั้นตามไปทีเดียวเหล่าปีบ่บบนี้ตัวตัวแล้วจะเข้าไข่ช่องแบกก็มิได้ก็จึงหนีรุน ล, ลงไปตามทางที่จะไปยังด่านด้วยสีกวนเลย ขณะนั้นม้าที่เราปีคีคือม้าของบังทองม้าที่เราปีคีและทหารทุ้งตูนของเราปีนะ่ะก็อ่อนกําลังงงแย่แล้วจะเข้าต่อสู้เด้ยวยท่านเปียวยิ้งองหลัน เ, เ, เ, เหล่าปุก็มิได้ก็ลบรอทถอยนี่ไปถึงด่านป้วยสีขวนญวัญเต่งกับเหล่าฮองกวนเป็งลูกเลียนกวัญอูเหล่าฮองลูกบเรียนเหล่าปีขวัเต่งเหล่าฮองเนี่ย ตลอดปีให้อยู่รักษ์ดัง